เพราะฉะนั้นถ้ามีจิตใจหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่กับปัจจัยสี่แล้วจะไปไหนพระภิกษุรูปหนึ่งมีติดมีจิตใจเนี่ยนะอยู่กับชีวิตตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเป็นเลนเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะมีจิตใจหมกมุ่นอยู่ในปัจจัย4ี่ถึงความทุกศีลชาติปัจจุบันก็ทุกทุกทุ ก, ทกแล้วก็ชาติต่ อ, ต, อต่อไปก็เป็นทุกขอีกเนี่ยนะทุกอย่างอะไรก็ทุกเป็นสมณะอ่าที่อยู่ในอบายเป็นต้นเนี่ยนะสังคาติถูกไฟไม่ลุกท่วมเป็นต้น เพราะฉะนั้นบุคคลผู้นี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าได้ถือเอากิ่งและใบของพรหมจรรย์ถึงที่สุดแค่กิ่งและใบเข้ามาในศาสนาได้เพียงลาบสการะสันเสริญชื่อเสียงยศตําแหน่งเป็นต้นเนี่ยนะมีคนนับหน้าถือตาโมไปอีกหนึ่งชาติแล้วเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าได้ไม่ได้อะไรไม่ได้อธิศินอธิจิตและอธิปัญญาแต่กลับมาได้เฉพาะแค่ ปัจใจสี่เนี่ยนะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็ตั้งเป้าหมายในการมาบวชโดยมากก็เพื่อปัจจัี่เนี่ยนะท่านเราก็ต้องพยายามว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะจะได้ตั้งเป้าหมายให้ถูกแล้วไม่มาติดล่มหลงอยู่แค่เพียงแค่ปัจใจสี่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอย่ามีลาบสาการะชื่อเสียงแต่พระองค์บอกว่าทําไมต้องติดอยู่ใน ลาบสการะเพราะผู้ใดมีติดใจหมกมุ่นติดอยู่ในลาบสการะชื่อเสียงและสรรเสริญจนไม่สามารถตารบอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเขาก็พบเพียงแค่กิ่งและใบเท่านั้นเนี่ยนะไม่ได้ประสบศีลรอกไม่ได้ประสบสมาธิปัญญาไม่ได้ประสบอริยมัติทั้งหลายรอกเนี่ยนะก็ติดอยู่แค่ลาบสการะชื่อเสียงและสรรเสริญก็เหมือนกับว่าหาไม้เก่นได้กิ่งไปเนี่ยนะกิ่งกับใบเนี่ยถึงจะมีเป็นคันรถมันจะมีราคาเท่าไหร่เออ สมมติบรรทุกกิ่งกิ่งไม้กับใบไม้เนี่ยเต็มคันสิบล้อเลยนะกับบรรทุกไม้สรงไปท่อนหนึ่งเนี่ยอันไหนยัมีราคาข้างงวดกว่ากั น, นยในกะันมันต่างกันเยอะเนี่ยนะต่อไปข้อต่อไปดูก่อนพี่สูตทั้งหลายคุระบดบางคนในโลกนี้พวกที่สองนะออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาคิดว่า เห็นความทุกข์นะว่าเราเนี่ยเ ป, เป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตครอบงามแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำไงเนาะการกระทําที่สุดแห่งทุกข์ทั้งมวล น, นี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เนี่ยนะ อยู่ที่ไหนนาะที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานพระนิพพานอยู่ตรงไหนที่ไหนอย่างไรปฏิบัติยังไงจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานเจตนาเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเจตนาดีใช่ไหมเจตนาเนี่ยดีแต่พฤติกรรมพฤติกรรมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะพฤติกรรมแล้วก็เรียกว่าอะไรนะออกจากเปรียบเหมือนอะไรเหมือนว่าสมุทรวันพระวันเจ้าหรือวันหยุดวันหยุดนักขัตตะลิกที่เกี่ยวกับงานาศาสน า, าหมาตั้งใจวันนี้จะไปบวช วันนี้นี่แหละจะไปไหว้พระที่ไปไหว้พระเจดีย์สักแห่งหนึ่งนะพอไปปั๊บโทรศัพท์กริง๊งเพื่อนชวนไปเที่ยวเลยเลยเลยคือยาวเลยอดไปไหว้พระเลยเป็นลักษณะนั้นนะนะผู้ที่เข้ามาบวชบางทีก็ลักษณะนั้นแหะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะพวกที่สองก็ลักษณะพวกที่สองนี่ก็าเก่งกว่าพวกที่หนึ่งพอเข้าบวชแล้วอย่างนั้นเขาก็สามารถที่จะมีลาภสการะและชื่อเสียงให้บังเกิดขึ้น แต่เขาไม่มีความยินดีไม่มีความปรารถนาหรือความปรารถนาของเขายังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและสรรเริญก็มีมีคำพูดที่บอกมาเลยบอกไม่ได้บวชมาหาลาบสการะชื่อเสียงและสรรเริญเพราะฉะนั้นถึงจะมีลาบสการะชื่อเสียงสรนเริญเขาก็ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น เพราะอะไรเพราะอ้างว่าเรามีลาบกว่าคนอื่นมีสการะมีชื่อเสียงดูหมิน่นดูแคลนเยียดย้มคนอื่นจิตใจสยบหมกมุ่นบอกไม่เขาไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะลาบสการะและชื่อเสียงสรรเสริญลาบสการะชื่อเสียงสรรเสริญไม่สามารถครอบงำท่วมทับใจของเขาได้เมื่อไม่ประมาทอย่างนี้แล้วก็ยังความถึงพร้อมให้ ถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จได้เนี่ยนะเมื่อจิตใจไม่ติดใจอยู่ในลาบส ก, การะก็สแสวงหาศีลเนี่ยนะสแสวงหาศีลทำปาฏิโมกขสังวรให้บริบูรณ์ทำปัจญาสันนิสิตศีลให้บริบูรณ์ทำ อ, อ, อินทรียสังวรศีลให้บริบูรณ์ทำปัจญาสันสนิสิตศีลอาชีวปาริสุทธิศีลให้บริบูรณ์ก็กลายเป็นผู้ที่มีจิตใจอยู่ติดข้องอยู่ในศีลทั้งหลายก็คือเจริญศีลกระว่ามาถึงรถผลับที่หนึ่งก็เลย มาถึงรถผลัดที่หนึ่ง น, นะก็ติดอยู่กับรถผลัดที่หนึ่งเขาก็มีความคิดว่าเขามีความยินดีมีความดําริเต็มเปลีย่ยนก็บอกว่าสมความปรารถนาแลว้วที่บวชเข้ามาก็บวชมาเพื่อจะมีปาฏิโมกขสังวรอินทรีย์สังวรนะปัจจะยศนิสิตศินอาชีวปาทิสุทิศีนจะไปหาพระดีที่ไหนอย่างนี้อีกเนี่ยนะศีนของเราก็ดีอย่างนี้แลว้วเนี่ยนะวาจาของเราก็ดีอย่างนี้แลว้วอาชีพของเราก็ดีอย่างนี้แลว้ว เนี่ยนะอินทรียีสังวรก็ดีปัจใยสีพิจารณาทุกอย่างที่บริโภคใช้สอยแหม่มันสมหวังแล้วสมความปรารถนาเนี่ยนะกายของเราก็ไม่มีโทษวาจาของเราก็ไม่มีโทษอาชีพของเราก็ไม่มีโทษใครแล้วจะมาตำหนิติเตียนเราในเรื่องศีลได้แต่พอเลี้ยวไปดูคนรอบข้างเข้าไปยังไงตัวเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่คนรอบๆบข้างวัดอื่นๆของอนนะ เราเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลก็เลยยกตนข่มคนอื่นเราเนี่ยมีศีลมีศีลดีมีธรรมงามเราเนี่ยเป็นคนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปประทำ นะคนอื่นๆปฏิบัติไม่ใช่ไม่ได้เนี่ยนะคนอื่นดูสิคนนั้นก็เลวเหลือทนนั่งพูดถึงแต่ความเลวของคนอื่นดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนอื่นเลวยังไงก็เรียกว่าวันๆหนึ่งก็นั่งปรารบความเลวของคนอื่นเพื่อที่จะบัชั้นนี้เด่นมากชั้นนี้ศีลดีเนี่ยนะเพราะนั้นพวกนี้ก็จะไปที่ไหนก็โฆษณาแต่เรื่องศีลของตัวเองว่าเราเป็นผู้มีศีลเราประพฤติดีปฏิบัติชอบคนอื่นผู้ใดเล่าเนาะจะมีศีลเหมือน กลุ่มเราเหมือนพวกเราเหมือนสำนักเราเนี่ยชมชมเราเนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโคของผู้ใดก็เจ้าของโคเนี่ยชมต่นั่งโคตัวเองกันแหละผู้มีศีลเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันมันก็ดีกว่าติดลาบะนะติดศีลก็ดีกว่าแหละแต่ว่าจิตใจก็ชำทราคะอยู่กับศีลเนี่ยนะ จริงก็สร้างเรือเพื่อจะข้ามฟากนะพอต่อเรือเสร็จยังไม่เอายกลงน้ําเพื่อจะข้ามฟากเลยก็โอ้ยเรืองามแลย้ยไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยนะนอนเฝ้าเรืออยู่ฝั่งนี้แหละอันนั้ก็ชั้นนั้น น, น, นั่นแหละก็ดูคนอื่นเขาไม่มีปัญญาหาเรือได้แม้แต่คนเดียวเรามีเรือที่คิดจะข้ามฟากระดับเรามีศีลอย่างนี้เลยบรรลุเมื่อไร่ก็ได้นั่นโมไปถึงนั้นอีกเนี่ย ก็เลยมัวเมาประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์เนี่ยรักษาศีลดีทํางามศีลเหล่านั้นให้ผลมาเกิดเป็นอะไรก็มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ชาติชรามรณะจะไปไหนเนี่ยนะขณะเกิดมีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์บุญมันให้ผลอย่างนี้นะยังไปสู่ชาติชรามรณะแล้วจะกล่าวไปใหญถึงผลของบาปเล่าเนี่ยนะยางแกงก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เองนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าติดอยู่แค่ศีลไม่ใช่ศีลไม่ดีศีลเป็นสะพานเบื้องต้นเป็นรถผลัดแรกเนี่ยนะทีนี้แต่ถ้าหยุดอยู่แค่นั้นอ่ะจะไปไหนก็มาสู่ชาติชราแล้ว มรณนะเนี่ยนะเพราะเลยอยู่เป็นทุกทุกทั้งในชาตินี้และอชาตินี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าสรุปว่าทุกในพบต่อตไปก็ไม่พ้นไปจากวัตตะเพราะไม่ได้ตั้งศีลไว้เพื่อจะเป็นบาตให้จะบรรลุมรรคผลในผานแต่ว่าขอหยุดอยู่แค่ศีลก็พอแล้วเนี่ยนะมีศีลดีมีทํางามก็พอแล้ว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 จริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวสอกหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ก็ละเลยแก่นละเลยกับพี่ละเลยเปลือกไปเสียถากเอาสะเก็ดไปสำคัญว่าเป็นแก่นกิจที่พึงทําด้วยไม้แก่นของเขาจกไม่สําเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดเที่ยวหาไม้แก่นพอไปเจอสเก็ดเข้าก็ไม่สนใจแล้วเรื่องเรื่องแก่นใช่ไหยอุ้ยสเก็ดก็ดีแล้วดูสิหอมหอมเนี่ยนะ ศีลเป็นอาพอรอย่างประเสริฐเนี่ยนะศีลเป็นกำลังหาเปรียบไม่ได้เป็นกลิ่นหอมอย่างยอดเยี่ยมมันอุ้ยถึงไม้หอมแล้วได้ศีลดีก็่ศีลหอมแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าถือเอาศีลไปก็เพียงพอแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกุกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ลักษณะเดียวกัน มันพอออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาก็คิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตครอบงมแล้วถูกความทุบท่วงทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วฉไนนหนกการกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏชัดนะเขาก็เลยพอเขามีความคิดอย่างนี้ก็บวชบวช บว่แล้วก็สามารถทำลาบสการะสรรเสริญให้เกิดแต่ก็ไม่ยินดีไม่ติดใจยอยู่ในลาบสการะสรรเสริญไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะลาบสการะสรรเสริญมันเขาก็เลยไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ถึงความประมาทเพราะลาบสการะเมื่อไม่ประมาทก็สามารถสำหรับอย่างศีลปฏิบัติอยู่ในศีลทำกุศลศีลให้ถึงพร้อมเขามีความดำริเต็มเปี่ยมด้วยความถึงพร้อมแห่งศีล นะถึงพร้อมแห่งศีลก็มีความสุขพอมีความสุขอยู่กับศีลเข้ายกตนข่มผู้อื่นเพราะศีลว่าเรามีศีลเรามีกัลยาณธรรมภิกษุนอกนี้กลุ่มอื่นๆพวกอื่นๆไม่เป็นศีลไม่ดีเลยใช้ไม่ได้เลยเนี่ยนะเขบอกว่าถ้าตําหนิว่าคนอื่นทุ่ศีลเท่าไหร่ความโดดเด่นแห่งศีลของเราก็จะโดดเด่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคนอื่นมีปาประธรรมมีธรรมเลว เขาเนี่ยมีความชั่วด้วยกายมีความชั่วด้วยว่าจาอาชีพเขาก็วิบัติเราเนี่ยดีดีศีลของเราก็ดีเนี่ยก็ยกตนไปข่มผู้อื่นไปทั้งยกตนทั้งข่มผู้อื่นก็เลยประมาทมัวเมาเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วก็ทําไมก็เหมือนกับว่าคนที่เดินทางไกลเพื่อจะให้พ้นจากอะไรพ้นจากทางกันได้เดินทางไปได้หน่อยหนึ่งก็เลิกไปแล้วอุย้ยมาตั้งไกลแล้ว ที่จริงยังไม่ได้ข้ามพ้นทางกันดาลเลยเนี่ยนะยังไม่ได้พ้นข้ามพ้นทางที่มีภยัยเมื่อไม่ถึงสถานที่เกษมและปลอดภัยจริ ง, รงๆหยุดอยู่ในระหว่างอะไรจะเกิดขึ้นก็ย่อมจมอยู่กับความทุกข์เท่านั้นแหละเนี่ยนะดูก่อนพิสูนทั้งหลายนี้เราเรียกว่าถือเอาสเก็ตของพรหมจัรย์ถือเอาสเก็ตของอาศาสนานี้ก็คือศีลเนี่ยนะหยุดอยู่ที่สุดแค่สเก็ตได้เพียงสเก็ตไป บุคคลที่สามเนี่ยดีกว่าคนที่หนึ่งและที่สองบุคคลที่สามบอกว่าดูขวัญพิสูจนทั้งหลายกุลบตรบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาทครอบงามแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าฉไฉนหนอความกระทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ เขาบวชแล้วอย่างนั้นยังลาบสการะสรนเสริญให้บังเกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดีมีความดํา âm ฤยังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและสรนเสริญนั้นเพราะไม่ใช่เป้าหมายมันเป้าหมายไม่ได้มาเพื่อแสวงหาลาบสการะชื่อเสียงและสรรเสริญเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสการะชื่อเสียงและสรรเสริญอันนั้นเขาไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะลาบสการะและ ชื่อเสียงสรรเสริญ น, นั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็ถึงยังความถึงพร้อมด้วยศีลให้สําเร็จบริบูรณ์ก็กลายเป็นผู้ที่มีศีลดีมีทํางามเขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลแต่ก็ถือว่ายังไม่สมความปรารถนาอะความปรารถนาเนี่ยนะสูงสุดจริงๆก็ไม่ได้อยู่แค่ศีลเพราะฉะนั้นจึงไม่เอาศีลเนี่ยเป็นเครื่องยกตนข่มผู้อื่นเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลอันนั้น เขาย่อมไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีล น, นั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วอย่างนี้ก็ยังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สําเร็จเนี่ยนะคร่าวว่าได้ลาบสักการะก็ไม่ติดในลาบสักการะได้ศีลก็ไม่ติดอยู่แค่ศีลประพฤติปฏิบัติจนได้สมาธิได้อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเช่นได้ปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยนะเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมด้วยความถึงพร้อมแห่ง สมาธินั่นแหละครับว่าเข้าถึงจุดที่ตัวเองใฝ่ฝันและปรารถนาแล้วเพราะมีจิตใจตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยนะจิตใจมั่นคงหนักแน่นเหลือเกินเนี่ยนะก็เราเนี่ยจิตใจหนักแน่นมั่นคงเหลือเกินไอ้คนอื่นมีใครมันหนักแน่นเท่าเราบ้างกันนะเริ่มล้ครับนี้ก็เริ่มแล้วเพราะเราตัวเองหนักแน่นใชถ้าเราเป็นมนุษย์คนเดียวแล้วก็นั่งสงบนิ่งนิ่งได้สักพักหนึ่งก็มองเห็นคนอื่นเป็นลิงไปหมดอะนะเพราะอะไรเพราะความถึงพร้อมแห่งสมาธิอันนั้นเข้า เขาก็ย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเราเนี่ยมีจิตตั้งมั่นมีจิตเป็นเอกคตาส่วนภิกษุอื่นนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปพิษแล้วเนี่ยนะคนอื่นมันคิดมากเราเนี่ยปรารถนาจะนิ่งสงบประณีตละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนก็ได้เนี่ยนะก็เลยถือเอาจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยเหนือคนอื่นหมดเพราะคนอื่น ฟุงซ่านเนี่ยนะคนอื่นฟุงซ่านเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าเทียบกับคนที่เลวกว่าเรามันก็ดีกว่าอยู่แล้วละ่ะเมื่อไหรมันก็ดีกว่าเพราะอะไรเพราะไปเทียบกับคนที่เขาเลวกว่าแต่ไปเทียบกับคนที่สูงกว่าบอกวุยเรายังไกลอีกนักแลวยว่างั้นนะทั้นั้นถ้าหากว่าแบบอะไรนะพอพอได้มาขั้นนี้เนี่ยพอเจริญมาได้จนจิตใจสงบเยือกเย็นระดับหนึ่งแล้วก็บอกวุ้ยสุดยอดแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยเข้าถึงภาวะที่สงบภาวะที่จิต เยือกเย็นสงบนิ่งสบายเนี่ยนะมีความสุขแล้ว